อตัวตนที่ยึดตนเองมีทั้งพีชนิยามและกิจนิยามความเป็นวิสัยก็ดีหรือเป็นอนุสัยก็ดีคือความยึดความเป็นตนเองซึ่งคำว่าใสายตัวนี้หมายถึงตนเองหรือเองหรือโดยตนเองหรือสักะสักข้อความหมายเดียวกัน สายะหรือสยะนี้ที่เป็นอนุสัยก็ดีอาศัยก็ดีนิสัยก็ดีวิสัยก็ดีมีความหมายที่น่าจะได้เรียนรู้เพราะล้วนสําคัญในคนซึ่งความเป็นตนเองสยะนี้ตนเป็นผู้ทําเองสยังกระทำด้วยตนเองสยักะตะ เกิดจากตนเองสยชาติเป็นผู้เลือกเองสยางวรระทั้งนั้นหากสัมมาทิฏฐิและภาคเพียรปฏิบัติให้สัมมาปฏิบตัติก็จะเกิดผลจนถึงขั้นเป็นสัจยางอภิญญาได้ทีเดียวและสูงสุดแห่งที่สุดของความเป็นคนทำได้ถึงขั้นเป็นสยามภู ดังนั้นถ้าได้เรียนรู้พุทธธรรมแล้วสามารถสำรวมตนเองควบคุมตนเองสยะตะตะอย่างสัมมาทิฏฐิคำที่หมายถึงเองหรือตนเองหรือของตนนี้มีอยู่หลายคำสักะหรือสักก็ใช่สยะหรือสยยะก็ใช่สะวะก็ใช่ เช่นสักายะอาศัยอาสวะเป็นต้นคำว่าสักกายนั้นก็หมายถึงกายของตนองค์ประกอบของรูปกับนามของตนผู้ยังไม่เรียนรู้กายซึ่งมีกิเลส ป, ประกอบอยู่ด้วยก็มีกิเลสเป็นตัวจัดการตนไปตามธรรมดาสามัญของคน อาศัยก็หมายถึงที่พักที่พึ่งสภาพจิตที่นอนอยู่รากศัพท์เหมือนอนุัยกิเลสที่ไหลไปซึ่งก็คือชีวิตที่ยังมีกิเลสพักอยู่กับตนและตนก็พึ่งอยู่มันก็ย่อมพาเราเป็นพาเราไปกับมันอยู่นั่นแหละอาสวะก็หมายเอาสิ่งที่ไหลออกหรือสู่ น้าหมักดองกิเลสหมักดองซึ่งต่างหมายถึงว่าภาวะนั้นหยาบใหญ่ขึ้นถึงขั้นเป็นธาตุน้ําจากอากาศเริ่มเป็นอาโปกันแล้วแต่ก็ยังเกี่ยวกับภาวะสำคัญในตัวคนเป็นพลังงานออกฤทธิ์กับตนเองนั่นเอง ทุกคำจึงล้วนหมายถึงภาวะที่เกี่ยวกับตนเองทั้งสิน้นทุกคําในที่นี้คืออาการของธาตุเล็กละเอียดยิ่งทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพีชานิยามหรือจิตนิยามมีการเริ่มต้นด้วยภาวะที่เล็กละเอียดยิ่งของตนตามฐานะของตนของตน ที่จะยึดเป็นตนเองทั้งพีชนิยามทั้งกิจนิยามเพียงแต่ฐานะของพีชนิยามหรือฐานะของกิจนิยามนั้นมันมีปริมาณคนละปริมาณมคุณภาพคนละคุณภาพ Quality ซึ่งมีมากมีน้อย มีดีมีไม่ดีมีสูงมีต่ำต่างกันไปแล้วเท่านั้น